ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในบันนี้คงพูดเรื่องอนังกณสูตรต่อไปอนังกณสสูตรแปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยการสายไปของจิตที่มากด้วยความปรารถนาความต้องการ ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งของสัตว์ตัวโลกีิจตใจมักจะหนักไปในทางความโลภเพราะว่าเราอยู่ระดับกามาวจรภูมิอันจิตจึงไปกำหนดอารมณ์ลักษณะต่างๆที่อาจจะตอบสนองความต้องการในตัวเองบ้างเสริมมาตาตัวเองบ้าง สรุปแล้วก็อยู่ในแวดวงของตนามานาทิธิอย่างที่เราเจอบ่อยๆในข้อต่อไปคือในอังคณาที่เจ็ดคือบางทีตรงนี้แปลว่ากิเลสเพียงดังนิน้นแต่ในในที่นี้พระสารีบุตรท่านนิยามว่าหมายถึงอิจฉาวจรที่เป็นบาปเป็นอกุศล เป็นการเน้นที่ตัวโลภะแต่ว่าพอผิดหวังจะเกิดโทสะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่คุสมหวังมีความยิ่งใหญ่เหนือกำลังที่จะต่อต้านก็จะเกิดโศกะคือเกิดความโศกในข้อต่อไปก็ยกตัวอย่างของภิกษุบางรูปอาจจะเกิดความคิดว่า เวลาฉันพัฒตาหารพร้อมกันในโรงฉันคือในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้อทนุโมทนาในแนวนี้ไม่ได้ว่ายถาวาริวหาปุราปริปุเรนอะไรหรอกเขาเรียกว่ากล่าวอนุโมทนาค็าจะมีการมอบหมายให้เป็นภาระของพระรูปใด ร, รูปหนึ่ง ทำหน้าที่อนุโมทนาในโอกาสนั้นแต่โดยทั่วไปก็เป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ที่ฉันอยู่ในสถานที่นั้นเป็นไวแต่ท่านจะมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นถึาดูตัวอย่างเช่นปรากฏในพระธรรมบทกาเรเลื่อนพระจุลปันธกะหรือจุลปันกทแต่จริงก็มีพระผู้ใหญ่ยอยู่เยอะ แต่พระเจ้าต้องการจะช่อชูพระจุลปันธากาจึงรับสั่งให้ทำหน้าที่อนโมทนาแล้วก็เรื่องจุลกาลมหาการก็ปรากฏว่าพระเจ้ามอบหมายให้พระมหาการเป็นผู้อันโมทนาท า, ทางที่วันก่อนเนี่ยน้องชายของท่านชื่อพระจุลกาล ถูกอดีตพัญญาห้อมล้อมจับศึกพระก็กลัวว่าพระมหาการจะเป็นเหมือนพระจุลการอ์อีกก็กลัวแต่ว่าตอนนั้นพระมหาการท่านเป็นพระหันไปแล้วทรานจึงรอดปลอดภัยการอ น, นโมทนาเป็นการกล่าวคาถาสั้นๆตัมมองคล้ายๆกับธรรมกาถา ก็ถ้าดูจากข้อความที่ที่พบนะฮะก็เรียกว่าไม่เกินห้านาทีแต่ก็เน้นไปที่คําสอนไม่ใช่เน้นไปที่การให้สีให้พอร์ตเป็นการกล่าวธรรมคาถาสั้นๆเป็นการเพิ่มพูนศรัทธาภาษาธให้แก่ญาติโยมพระภิกษุบางรูปก็ปรารถนาว่า เราเท่านั้นควรฉันในโรงฉันแล้วอันโมทนาภิกษุอื่นควรฉันในโรงฉันแล้วไม่ไม่ต้องอันโมทนาหมายความว่าคือต้องการเด่นดังนะฮะต้องการเด่นดังในแนวเดิมในแนวที่มีคนห้อมล้อมในแนวที่ต้องการได้อาสนะอาหารทุกอย่างเนี่ยเลิศ ก, กว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นเป็นอาการของ มานะคือความถือตัวแล้วก็เป็นตัณหาคือทำให้จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากแล้วก็เป็นทิฏฐิด้วยนะฮะเป็นทิฏฐิคือรู้สึกว่าตัวตนเราเป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าได้เธอก็ปรารถนาต่อไปถ้าไม่ได้เธอก็เกิดโทสะไม่ช่มชื่นใจไม่สบายใจ ในข้อที่8ดเนี่ยก็ไปคิดไปคิดนะเป็นเป็นระดับความคิดว่าถ้ากรรหนอเราเท่านั้นควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเลยนี่เป็นฐานะที่จะมีได้กคือตามปกติการแสดงธรรมเนี่ย มันเป็นภาระของภิกษุผู้ฉลาดสามารถทรงธรรมทรงวินัยแตกฉานในอุปโตวิพังคือภิกขุวิพังและก็ภิกุณีวิพังรู้จักอธิกรเหตุเกิอดอธิกรความหนับปฏิกร์ข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความหับปฏิกร์เป็นผู้ฉลาดสามารถอะที่จะชี้แจงแสดงธรรมะไม่ใช่ว่าปล่อย ใ, ใครก็ตอบคำถามได้ ถ้าตามปกติในแวดบงของพระเนี่ยมันจะเกิดสำนึกขึ้นมาด้วยตัวเองแม้เราอยู่ในฐานะที่สามารถตอบคำถามได้แต่ในสถานที่นั้นมีพระเถระเหนือเราอยู่ก็ต้องบอกขยโยมไปสอบถามท่านเป็นไวแต่ท่านมอบหมาย แล้วก็จะตอบอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึง่งที่ต้องให้ความเคารพต่อพระเถระเรก็ขอโอกาสอโอกาสในกรารในกรานกราที่จะกล่าวธรรมะคล้ายๆกับจะไปวัดในวัดใวดใวัดหนึ่ ง, งลองสังเกตว่าแต่พระที่ทำหน้าที่เทศมีอายุพัรษาน้อยกว่าพระรูปอื่นที่นั่งอยู่ในที่นั้น คือก่อนจะขึ้นเทศเนี่ยนอกจากกราบพระพุทธรูปก่อนสามครั้งแล้วก็จะมากราบพระเถระที่มีอวุโสหรือปรรญามากกว่าตนจะ ต, ตามปกติก็ไม่ถึงกับกราบนะฮะเพราะว่ากราบพระรัตนตรัยแล้วก็ยกมือไหวเป็นการขอโอกาสสมัยโบราณเนี่ยขอโอกาสเลยคือเปล่งบัญจาย์เลย ระยะหลังก็เปลี่ยนแปลกไปเพราะว่ามันก็คือกันเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าท่านได้ตามที่ท่านต้องการนะท่านก็พอใจพอไม่ได้ตามที่ท่านต้องการท่านก็จะรู้สึกโกรธแล้วก็ไม่แช่มชื่นประคิดว่าภิกษุอื่นแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปถึงอารามแต่นี้เป็นโอกาสที่จะมีได้ ตัวเป็นการเตือนสตินะฮะคือเป็นการเตือนสติให้คนเรารู้จักประมาณรู้จักประมาณในตัวเองแล้วก็ปรับสถานภาพตัวเองให้เหมาะสมมันไม่ใช่ว่าเราหนึ่งเสมอไปเกิถ้ามีคนที่มีความฉลาดสามารถเหนือกว่าเราก็ควรจะเปิดโอกาสมาแม้แต่เขาถามเราเนี่ยเราก็ต้องขอ ให้ไปถามพระผู้ที่มีความฉลาดสามารถในเราคือเป็นการประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หลักการสําคัญเนี่ยคือเราจะต้องสํานากว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ที่จริงเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการแบบทําให้เหมาะสมแก่ธรรมะในกรณีของการใช้เหตุผลนี่เป็นเรื่องใหญ่ ให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนให้เหมาะสมแก่ความเหมาะความควรให้เหมาะสมแก่กาลเทศะให้เหมาะสมแก่กลุ่มบุคคลหรือว่าตัวประเจกชนในข้อที่เก้านั้นท่านบอกว่าก็อาจจะเกิดความคิดเราท่านนั้นควรจะสอนภิกษุณีภิกษุอื่นไม่ควรแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้ไปถึงอาราม แล้วก็ น, นี้ก็มาเรื่อยนะฮะคือหมายความว่าท่าไปแยกระแยกประเภทภิกษุณีภิกษุก่อนและภิกษุณีและุบาสกละอุบาสกบาิกาคือเหมือนกันหมายความมาจากข้อที่8จนถึงข้อที่11เนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นผู้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาไม่ต้องการให้คนอื่นเป็นผู้แสดง หมายความว่าเมาเองรวดนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าท่านได้ตามที่ท่านต้องการท่านก็จะชื่นชมยินดีในภารกิจเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถเนี่ยมันก็ควรแกการโหนธนาเพราะตามปกติคือเรื่องเหบองเรื่องเนี่ยเป็นการอบรมกรรมฐานเนี่ย วิทยกรไม่ควรมากวิทยกรควรจะมีองค์หลักอยู่องค์เดียวแล้วก็รูปอื่นก็จะช่วยในกรณีที่มีเหตุการณ์จะเป็นขึ้นมาเพราะในกรรมฐานจะต้องมีอาการที่ต่อเนื่องแต่รูวันก่อนจบตรงไหนวันนี้จะมาขึ้นตรงไหนและจะเชื่อมโยงกันอย่างไงก็ต่อไปได้เรื่อย บันตาปกติแล้วก็จะใช้ในแนวนั้นแต่แนวนี้มันไม่ใช่แนวนั้นคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในการว่าสั่งสอนแนะนำตักเตือนของท่านต่ได้ตามที่ท่านชอบท่านต้องการท่านก็พอใจแต่ไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะเกิดโกรธเกิดความไม่แช่ชืนคือไม่เบิกบานใจ ทนี้ประการต่อไปเนี่ยมันกางข่อยคว้าเลยค่อยคว้าจะเอาหมดเลยพู้เจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึงภิกษุผานโดยทรงประรบพระสุธรรมมีใจความโดยสรุปว่าพระสุธรรมนั้นท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งแล้วพอดีภาษาลิบุตรพระโมคคลลานะ ก็ไปที่วัดนั้นเนะี่ยเจ้าของวัดก็แสดงความชื่นจิมชื่นชมยินดีต้อนรับขับสู้เป็นการดีเลยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจติดใจอะไรกับท่านสุธรรมเพราะว่าเป็นสัมพานอยู่ที่วัดแล้วแต่พระลักษมเกิดฤิษยาทนอยู่ไม่ได้เลยไปถึงก็บอกคืนกุติบอกคืนบัดบอกคืนอะไรหมดไปบุนไปหมด วสุกนั้นท่านเป็นพระนาคามีท่านจิตตะเครื่องบดีท่าน ม, มีโทษสาหรกแต่ว่าเป็นพุทธบริษัทท่านก็ตักเตือนให้สติโกรธมาฟ้องพระพุทธเจ้าถึงพระเชตวันนะฮะพระจ้ารับสั่งไปขอขอมาไปขอ ข, อขอมาจิตตะเครื่องบดี แต่จากนั้นก็จะทรงแสดงลักษณะของพิสุพานก็โดยโ<อ>ในย่าที่กล่าวนี่คือหมายความมันต้องการครอบงำหมดทุกสิ่งทุกอย่างใครทำอะไรก็ตามดีๆภายในวัดต้องฉันได้คือยังนึกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับรัฐบาลนะะรัฐบาลเนี่ยประชาชนเลือกมาให้ทำงานรับใช้ประเทศชาติและก็ประชาชน ไปงานอะไรทําเนี่ยมันเป็นภาระที่เธอต้องทอําอ่ะเพราะเธอมากินเงินเดือนของแผ่นดินแต่พอทําทเสร็จก็ไปอ้าง น, นั้นผมทําำนั้นผมทำํำนั้นผมทําไม่ จ, จ่ายสักบาทหนึ่งต่อ้างตัวเองมาทำแต่ น, นั้นอะ่ะแต่เรื่องที่น่าละอายนะบางทีเอาชื่อตัวเองไปติดไว้บางทีเอานามสกุลตัวเองไปติดไว้อะไรเนี่ย ถามว่าเธอจ่ายกี่บาทอะที่นี่เธาชื่อตัวเองมาติดไว้คือยังนึกว่าแนวเหล่านี้มันน่าจะใช้ชื่อของคุณธรรมไม่น่าจะเป็นชื่อคน น, นะนะมันน่าจะเป็นชื่อคุณธรรมถ้าเป็นชื่อคนก็ควรจะเป็นคนที่เป็นวีรชนทึ่งอยากไปนานแล้ว สังคมพอได้ยินชื่อเรนก็นึกถึงความดีของท่านแต่โอกาสที่คนจะคิดอย่างนี้ก็ยากหน่อยนะวันในข้อที่สิบสองเนี่ยท่านบอกว่าพิสุลางรูปในประธรรมใ น, นนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าใครหนอพิสุทั้งหลายควรศักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้น ไม่ควรเคารพไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาภิกษุอื่นเอาหมดเลยนะรวบหมดเลยด้วยความคิดเหล่านี้บางทีมันก็ก็แปลกลมันจะเป็นอาการทางจิตด้วยไหละแล้วมาเคยเจอในหลายตีมาแล้วนะเจอที่ท้องสนามหลวงตอนนั้นสมเด็จวสังราชยังไม่เป็นสังราช ก็พระไปนั่งอยู่ที่เต็นใหญ่อย่าโยมนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่ทราบเดยขึ้นมากราบเมื่อก่อนก็นึกว่าจะกราบเฉพาะสมเด็จเดกราบหมดทุกองค์เลยทีบ่กราบคนก็ขึ้นมาหยุดหนึ่งชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วยังไม่หยุดสักทีนี่ ประกวดเราผู้ใหญ่หท่านลุกขึ้นกลับมองซ้ายมองขวาปรากฏว่าเหลือแตอมารูปเดียวทีนี้ในฐานะเป็นเหล็กขาธิการจัดงานเนี่ยเราก็ลุกขึ้นไม่ได้นั่งกัอยู่อย่างนั้นใช้เวลานานมากเกิกว่าโยมจะวายลงไปเนี่ยจะลดลงไปอย่างนี้นก็เออถ้าโดนอย่างนี้ไปบ่อยมันก็ไม่คือสนุกนะคือมันสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง คนบางคนชอบการห้อมล้อมกันไปในสถานที่ต่างๆมีคนเข้าแถวยืนต้อนรับอะไร อ, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันที่จริงก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระองค์พระโมคคัลลานะดูก่อนโมคคัลลานะ เธอึงซึ่งศึกษาสเนียกว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุลชูงวงก็คือคิดว่าฉันใหญ่อ่ะมันก็ช้างใหญ่คำรามมาหละทีนี้ถ้าเขาต้อนรับตามที่คิดว่าท่านใหญ่มันก็เหมเิมเกริมทีนี้ถ้าเขาไม่ต้อนรับเนี่ยจะเกิดโทสะจะเกิดความโกรธเกิดความไม่ช่ำชื่น พ้นตรงนี้ก็เหมือนกันพอเขาบูชาสักการะเคารพนับถือตัวเองก็จะเหมิมเกริมก็จะหลงตัวเองในขณะเดียวกันก็จะเกิดดิษยาเกิดแข่งดีเวลาคนอื่นในรับการเคารพนับถือสักการะบูชาซึ่งแต่ละอย่างมันก็มีปัญหาทั้งนั้นคือคนเราเนี่ยที่จริงแล้ว ทำยังไงาให้เราเองเนี่ยไหว้ตัวเองได้คือต่ว ด, ดูการประพฤติความคิดการกระทำการพูดของตัวเองว่าถ้าคนอื่นทำพูดอย่างนี้มันก็น่าไหว้น่ากราบน่าบูชาแล้วเราก็ทำพูดคิดอย่างนั้นใครไหว้ไม่ไหว้ไม่ได้แปลกอะไรเลย เกวามนับถือจากข้างนอกเนี่ยที่จริงไม่ใช่ไปเพิ่มความดีหรือว่าไปลดความชั่วหรือเพิ่มความชั่วอะไรให้แกเราแต่เขาเคารพเขานับถือก็สักการะเขาบูชาเขาก็ได้บุญเขาก็ได้ลดละมานะความกระด้างความตื้อตัวของเขาเองแต่เราจะทำเราก็ต้องทาเองแล้ก็จบลงเหมือนเดิมนะฮะคือจะรู้สึกไม่แช่มชื่นรู้สึกไม่พอใจ แล้วข้อต่อไปก็บอกว่าพิสูรลางรูปในธรรมีนไนนี้พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าไกรนอพิสูุทั้งหลายพิกษุนีทั้งหลายนะอุบาสกทั้งหลายก็แสดงว่าภิกษุนีทั้งหลายควรจะสักการะเคารพนับถือบูชาก็พูดถึงปัจจัยสี่ข้อสิบสามเนพูดถึง พิจุนีทั้งหลายควรสักการะคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นอุบาสกุบาศิกานี่เหมือนเดิมนะฮะคือคือหมายความว่าพุทธบริษัท4ควรสักการะคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่ควรสักการะคารบนับถือบูชาภิกษุอื่นทีนี้พอได้ตามใ่ต้องการก็จะพอใจเพลิดเพลินทำไม่ได้ตามต้องการก็จะเกิด โทสะในตัวคนนั้นแล้วก็ริษยาในตัวคนที่ที่รับการเคารพนับถือส ก, การ บ, บูชาในขณะเดียวกันก็โทสะในตัวคนที่ไปเคารพนับถือบูชาคนอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเองทีนี้เมื่อพอวจหวังก็เกิดโศกเป็นความคิดในลักษณะหารเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นการก็ เ, เรีอกแขว่งเท้าหาเส้นน่ะ หรือขอยหาตะเข็บปัญหามันไกลตัวแต่เราดึงปัญหาเข้ามาสู่ตัวเองมันก็ลักษณะคล้ายๆคนแทงหวนยนะฮะแท่หวยมันแทงแทงแต่โลภะเดียโมหะโอกาสที่จะถูกเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยเหลือเกินะ คนบางคนชีวิตตั้งชีวิตจะไม่เคยถูกแต่ว่าโวยกินไปเยอะเลยลักษณะโลภะจงเห็นชัดเจนว่าโมหะกับโลภะมันเกิดดีนี้ถ้าได้ตำโลภะโลภะก็เพิ่มถ้าไม่ได้อย่าเกิดโทสะตีนี้ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ยากต่อการอย่าต่อสู้ขัดขืนก็จะเกิดเป็นโศกคือเกิดเป็นความสูก ข้อต่อไปก็จะประรบป ร, รบปัจจสี่นะฮะปรบปัจจสี่โดยโครงสร้างเดียวกันว่าภิกษุลางรูปในพระธรรมใ น, นนี้เพิ่งเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าถ้าไรหนอเราเท่านั้นควรได้จีวรที่ประีตผู้อื่นไม่ควรได้จีวรที่ประีต นี่เป็นฐานะที่จะมีได้หลจากนั้นก็จะพูดถึงบินทปาตก็สรุปง่ายๆว่าปัจจัยสี่นะปรารถนาปัจจัยสี่ในด้านต่างๆแต่ว่าต้องการปัจจัยสีที่ประณีตรวมแล้วก็ท่านพระสารีบุฒิจำแนกไว้เป็นสิบเกข้อด้วยกันแต่ก็เป็นชุดๆอยู่ก็เปลี่ยนเฉพาะกลุ่มบุคคล ภิษุบ้างพิษุนีบ้างประสบ้างปะสิกาบ้างแต่ผู้ปรารถนาก็คือภิกษุที่มีโลภะเป็นมูลในการสายไปของจิตในรูปที่ท่านเรียกว่าเป็นอิสาวจอรจะเจ็บเปนสายไปด้วยแรงความปรารถนาในด้านต่างๆสิ่งที่แตกต่างไปก็คือสิ่งที่ท่านปรารถนา หรเรามองโดยสรุปอีกทีหนึ่งนะครัว่าสิ่งที่ปรารถนาทั้งหมดมันไม่มีอะไรมันก็คือวัตถุ ก, การมคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการปรุงคิดจากการคิดปรุง รู้สึกว่าตนได้ตนมีตนเป็นก็จะกำนัดเพลิดเพลินยินจมยินดีในการได้การมีการเป็นเหล่านั้นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงที่จะปล่อยวางที่จะลดละความกำนัดความเพลิดเพลินความพอใจ ย, ยินดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเพราะในที่สุดเนี่ย ตอนก็สรุปว่าพวกอิสาวจรทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยที่ยังรับไม่ได้นั้นเป็นอกุศลที่จุดประกายขึ้นมาจากอะไรก็ตามแล้วก็ขยายผลออกไปได้เรื่อยๆตามโครงสร้างที่ทรงแสดงว่าอากุสนธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้ว อกุศลธรรมอย่างอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่บังเกิดขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นเหตุนั้นควรจะลดละถึงได้ก็ต้องกลับมาที่เดิมนะอุปมาเรื่องถาดเนี่ยหมายความว่าอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่ท่านผููมีอายุนั้นอย่างละไม่ได้ ชนทั้งหลายก็ยังเห็นอยู่และยังได้ยินอยู่ก็จะเปรียบเหมือนถาดทองสำริษที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือสกุลในช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของก็ซากศพงูซากศพสุนัขซากศพมนุษย์อะไรวางลงในถาดทองสำริดเนี่ยแล้วก็ปิดถาดทองสำริดนั้นนโดยใบอื่นแล้วก็เดินไปร้านตลาด ชนก็เห็นถาดทองสำริดนั้นแล้วต้องพูดว่าพราะคุณสิ่งที่ท่านนำไปคืออะไรน่ารู้น่าสนใจพอพึงลุกขึ้นเปิดถาดทองสำริดนั่นดูผองก็เห็นซากุขก็จะเกิดความไม่พอใจไดยเป็นการอุปมาให้ดูนะฮะว่าคนที่มีความปรารถนาอย่างนี้อยู่ในภายในเนี่ยพูดง่ายๆมันเน่าไหน แต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าผ้าทองสำริดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะว่าเราจะพบบ่อยเรื่องทองสำริดเนี่ยเช่นพูดถึงการฝึกจิตเรื่องการขัดเกลาจิตเหมือนกระถางทองสำริดที่ขึ้นสนิมจะต้องขัดเกลาไปเรื่อยๆบางทีก็ใช้คำว่าพระเจนะสำริดแสดงว่าสำริดนี้ใช้กันในกิจกรรมต่างๆเยอะ ตัวนี้เป็นข้อความในพระไตรปิฎกหรืจะข้อความในเอาากาสารก็แสดงว่าเป็นยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงไปส่วนอยู่รูปเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะที่เกี่ยวกับพุทธรวัติได้เกี่ยวกับพระสาวกทั้งหลายนี่มันก็จะมีสะแสดงเห็ุน้ำความเจริญก้าวหน้าในด้านเหล่านี้อยู่ ทีท่านก็มาสรุปว่าอิสาวจรที่เป็นบาปอกุศลนี้ <c oughs> ก็ฉันนั้นพิสูรรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นยังได้ยินแม้เธอจะอยู่ในป่าจะอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้นะอย่าวางมาสอย่างไรก็ตามท่านบอกว่าแม้จะอยู่ในป่า แล้วก็ถ้าดูภาพข้างนอกเนี่ยภาพลักข้างนอกแล้วน่าทึ่งนะเขาบอกว่ามีเสนาสนะสงัดถือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทตาน ร, รับตรอกถือผ้าบางสึกุลครองกีวรเศร้าหมองใช้ตุ้ดวงทั้งสามสอย่างถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะคารพะนังถือบูชาพิสุทธ์นั้นเพราะนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะอิสาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้น การรูปนั้นอย่างละไม่ได้ทีนี้ในในทํานองเดียวกันก็พูดถึงพวกทั้งหมดนะ น, นะคืออย่าลืมว่าจริงๆท่านขยายไปโดยโดยในยะของวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งอิจฉาวจรแต่ว่าตัวการจริงๆมันก็คือกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทปัตติประเภ ท, รรเภทกรรมมาชันทะอะไรเนี่ยก็ก็แล้วแต่คือ สรุปว่าเป็นกิเลสประเภทข่อยควา้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันก็อยู่ในโครงสร้างของปัญหานะฮะปัญหาพอเกิดมันก็เป็นโพนพปิกาคอยเกิดความมีความเป็นต่อเ น, นื่องกันไปอยากได้นี่อยากได้นั่นอยากได้โ น, นกกรสายไปเรื่อยเรืยนันดิรากาสกาตาจิตจะกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินจนชมยิน ด, ดีในสิ่งเหล่านั้น แล้วก็ตะตะตาาพินันดินีจิตใจจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปในสิ่งเหล่านั้นเพราะทีนี้ถ้าภิสูุรูปใดที่ยังละไม่ได้ไม่ใช่พิสูุรูปใดที่ละได้และชนทั้งหลายก็เห็นอยู่ได้ยินอยู่ แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านรับนิมนต์ครองข้บดีจีวอนไปดูแล้วก็ได้พระพวกคำคื อ, ค อ, คอ ป, รประเภทแร ก, ย ก, ย, กยกตัวอย่างว่าเป็นพระป่าแต่ว่ายังมีอเฉาจรอยู่เยอะมันก็เหมือนกระฐางสำริดไอ้ไม่ใช่ภาชนะสำริดกระทาสำริดนะฮะที่ใส่สากศพอยู่ข้างในแล้วก็ปิดฝา ไม่เปิดคนก็ไม่เห็นแต่ว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยคนก็ขยะขยกตอนไม่เปิดอาจจะเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายแต่ว่าเปิดออกมาต่างคนล้วก็เบืดหน้าหนีไม่ต้องการเพราะงั้นก็พวกนี้ก็ถือว่าเป็นการเน้าในอาการที่ปรากฏนั้นเป็นภาพลวงทั้งหมดเป็นภาพลวงตาทั้งหมด เป็นเสียซ่างเป็นมารยาเป็นโอ้อวดเป็นแข็งดีเป็นพวกกลุ่มอภิกเกษทั้งหลายเนี่ยพระตัวนี้จริงๆดูยากนะพระเจ้าเคยรับสั่งกับพระเจ้าประสิทธิ์ในกุศลเน้นว่าความเป็นผู้มีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและต้องอยู่ร่วมกันนาน ต้องสังเกตต้องพิจารณาจึงรู้ถ้าไม่สังเกตไม่พิจารณาจะไม่รู้เานคือคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไปวินิจฉัยตัดสินไม่ได้เฉพาะคนจะกล้าหรือคนขาดเนี่ยมันต้องดูกันตอนเกิดภาวะวิกฤติถ้าไม่เกิดวิกฤตการณ์แล้วเราก็วัดใจใครไม่ได้ว่ากล้าจริงหรือว่าขาด เพราะมันไม่ได้ผ่านบทพิสูจน์ทดสอบอะไรเพราสถานการณ์ทั้งหลายที่เขาบอกสถานการณ์สร้างวีระบุรุษเนี่ยเพราะในสถานการณ์เหล่านั้นท่านสถานการณ์วิกฤติจิตท่านวิกฤติมื่อไมวิกฤตทุกอย่างมันก็ไม่วิกฤตสําหรับท่านนะทำนองคล้ายๆกับกา ร, รเผยเฉิญหน้าของพระนเรศวรกับประมาวป ร, ราชา สถานการณ์วิกฤตร้อยแต่เพราะว่ามีพระไทยเชื่อมัน่นมีพระไทยที่กล้าหาญมีพระสติดีมากมีจิตใจที่มั่นคงมีเจตจำนงที่แน่วแน่มีปัญญาไหวพริบ ป, ปฏิผ่านพลิกแพลงสถานการณ์จากเป็นรองทั้งร้อยนะให้เป็นต่อแล้วเป็นผู้พิชิตได้ เมื่การวัดเหล่านี้ยวัดอาการเคร่งหรือไม่เคร่งบางทีมันก็เอาอะไรมาเป็นโอเวดเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆแล้วก็นํามายกย่องเชิดชูกันที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือบ า, บางที่ตัวท่านบอกเองนะฮะตัวท่านบอกเองลูกศิษย์ของท่านบอกเองเนื่อนี้ระบบหน้าม้ามันเยอะระบบหน้ามา้าระบบที่ร่วมแรงร่วมใจกันหากินเนี่ย หรือที่การต่างๆมันเกิดเยอะก็อยู่ในแวทวงศศาสนามานานเห็นในการต่างๆข่ า, ขาวคราวต่า ง, างแล้วก็ก็สับเพสสานะฮะคือไม่รู้จะว่ายัางไงเขาว่าก็ปล่อยกันไปตามกรรมกันแล้วกันเพราะเราจะเห็นว่าตัวอิสาวจรคือตัวบาปตัวกุศลในที่นี้เป็นการพูดระดับความคิดก่อน ทีนี้พอระดับความคิดเนี่ยเมื่อมันเป็นไปตามที่ท่านต้องการเนี่ยมันออกมาทางกายทางวิจาผมไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการมันก็จะออกมาทางกายทางวิจาก็กลายเป็นอาการที่ปรากฏคล้ายๆกับพัฒานาสมริดที่ใส่ศพแล้วก็เปิดออกมาในข้อนี้ท่านอุปมาว่า เรียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่บุคคลนํามาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลในช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดเจ้าของเอาเข้าวสุกแข่แงข้าวสาลีที่เลือกเอาของดําออกแล้วเอาแกงและกับหลายอย่างวางลงในถาดสำริดนั้นปิดด้วยถาดสำริดอื่นแล้วเดินไปในร้านตลาด จนเห็นถาดทองสำนิกนั้นแล้วต้องพูดอย่างนี้ว่าเพราะคุณสิ่งที่ท่านนำมานำไปนี้คืออะไรน่ารู้น่าสนใจลุกขึ้นไปเปิดถาดท่านดูพร้อมก็เห็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีขาวสะอาดมีแกงและกับหลายอย่างนั้นก็เกิดความพอใจไม่เกลียดชังแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ปรารถนาจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวชั้นใด ชาวิจารที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านี้ภิกษุนั้นรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วอันชนทั้งหลายยังเห็นอยู่ยังได้ยินอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะท้ายบ้านเป็นปกติรับนิมนต์ครองจีวรถึงอย่างนั้นเพื่อนสัพพมจันทั้งหลายก็จะให้ความสักการะเคารพนับถือบูชาต่อท่านเราจะเห็นว่าตามบํา ตามปกติแล้วเรามักจะตัดสินในเชิงที่เป็นรูปแบบแล้วก็ไม่พยายามมองถึงเนื้อในบางทีนั้นตัดสินด้วยจีวรสีกระแล้วก็ไปคิดว่าเนี่ยเป็นพระที่เคร่งจีวรสีกระแตว่าตามความจริงมา ก, ก็ขมจีวรสีกรกนะแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเคร่งอะไรก็ถือว่า มันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องการมันสีมันตัดกันตรงรังแต่ว่าก็ค่อนข้างชินนะฮะถ้าสีเกินเหลืองขึ้นมาก็ผมไม่ได้เหมือนกันรู้สึกเขินแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตนเคร่งเพราะผ้าจีกเพราะว่าสีอะไรก็ตามคือการเลี้ยงชีวิตของพระเนี่ยมันอยู่ที่ การอนุบวบหงปชาบ้านเขาถวายอะไรมาก็ยินดีตามที่เขาถวายแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆขึแล้วแต่เขาถวายก็เรียกว่ายินดีตามที่มีตามที่ได้ตรงนี้ท่านผู้ฟังอย่าสังเกตว่ามันก็เหมือนกับอะไรล่ะสังกัคุณน่ะ เราโดยสรุปว่าภาชนะสำริดที่ใส่ข้าปราอาหารอยู่ข้างในแล้วก็ปิดด้วยภาชนะอีกอันหนึ่งมล้วก็เหมือนกับพระที่เราสวดสรรเสริญวสุ ป, ปฏิปนโนอุชุปฏิปนโหนายะปฏิปนโ น, ยายโนสามีจี ป, ปฏิปนโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร เรก็เป็นเหตุได้ท่านควรของคำนับควรของรอนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การทำอัญเชลีเพราะว่ามันอยู่ในฐานะที่เป็นเนื้อหนาบุญของโลกไม่มีเนื้อหนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าจากนั้นประมางโอคลาณนะก็ได้กล่าวกับปัสสาระีบุตรว่าท่านปัสสารีบุตรครับอุปมาย่อมแจ่มแจ้งแก่กระผม ทรานศาริบุตรจึงกล่าวว่รรมมาท่านมโหคลานะอุปมาจงแจมแจ้งแก่ท่านเถิดนี่เป็นเป็นสำนวนนะเป็นสำนวนที่ที่เขาสื่อสารกันในสมัยนั้นพระบังคีสะเคยกราบทูลขอพุทธานุญาตที่จะประพันธ์พระธรรมเทศนาของพระเจ้าเนี่ยตามปกติก็แสดงเป็นร้อยแก้วธรรมดา แต่ว่าพระวังคีสากขอพุท ธ, ธานุญาตว่าจะจะแปลงเป็นฉันคือจะแต่งเป็นฉันพระเจ้ารับสั่งว่ า, าจงแจมแจ้งจงแจมแจ้งแกเถิเถิดคือหมายความว่าเป็นพุท ธ, ธานุญาตแล้วก็ท่านพ ร, ระโมกขลานาก็เล่าว่าสมัยหนึ่งในท่านอยู่ที่กรุงราชชื่อก็เวลาเช้าก็ไปเห็นนายสร้างทํารถ ชื่อว่าสมิติทากงรถอยู่อาชีวกชื่อว่าปันทุบุตรเนี่ยก็เป็นบุตรช่างทำรถเกา่าไปยืนอยู่ใกล้กับนายสมิติครั้นนั้อาชี ว, วปันทบุตรเนี่ยบุกนายคนในทางทารถเกา่าก็เกิดความคิดดําำริอย่างนี้ว่ากระไน้อบุตรนายช่างรถพิงทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ ปรากฏว่านายสมิติเนี่ยทำตามที่ที่อาชีวกเขาเขาเขาคิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาชีวกเนี่ยอดีตเขาก็เป็นช่างเขาชำนาญเขารู้ว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังแล้วก็ทำยังไงมันจะดียังไงก็แสดงว่าเขาก็ชำนิชำนาญเขาคิดนะไม่ได้พูดแต่ว่านายสมิติก็ทำตามที่เขาคิด ก็เป็นที่พอใจของอาชีวกปันลุกบุตรแล้วก็เปล่งวาจาแสดงความดีใจว่านายสมีตีบุตรช่างทำรถถากเหมือนจะรู้ใจด้วยใจสันใดท่านขอรับบุคคลทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่มีศรัทธาเป็นผู้ต้องการจะเลี้ยงชีวิตไม่ออกบวดเป็นอนาคาริโด้วยศรัทธา เป็นคนโอ้วดเจ้ามายาหลอกลวงฟุ้งส่้นถือตนกับกรอกปากก้าผู้จะาเลือเถอะไม่คุ้มครองทาวารนสีทั้งหลายไม่เกับประมาณอันนี้คือกุณมบัติตรงเนี้ยพระโมคคัลลานะเคยเตือนพระไปเตือนพระในแนวเนี้ยข้อความในแนวนี้เราจะเห็นว่าประเด็นสําคัญว่าการ เทศการสอนของภาษาดิบุตรทั้งหมดเนี่ยมันตรงกับที่ท่านคิดตรงกับที่ท่านคิดเหมือนกับนายสมีติที่ถากตามที่อาชีวกะพันธุบุตรเนี่ยกคคิดทีนี้นก็มันสรุปไปเห็นว่าคนบางคนคือเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาหรอก ออกบวชเป็นอนาคาริกอนาคาริกก็คือนักบนะะวชแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนไม่มีบ้านเรือนทีนี้พออวดไปแล้วพอบวชไปแล้วมันเรื่องบวชมันเรื่องใหญ่นะฮะมันต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องจัดจะต้องทำคือถ้าเอาพระที่ทํางานกับโยมที่ทํางานนะฮะมาเทียบเวลาชั่วโมงกัน พระจะทำเยอะนะพระตามปกติจะทำงานจนจนง่วงหลับไปเลยไม่รู้เวลาตีหนึ่งตีสองส่วนมากแล้วก็จะพักผ่อนไม่พอแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องช่องท้องอันนี้คือปกติพระเลยเพราะ อ, อะไรเพราะ อ, อาหารน้อยทำงานมากแล้วก็พักผ่อนน้อยทีนี้เมื่อเป็นคนที่ไม่ศรัทธาจิตมันไม่เดินนะฮะ คือเมื่อศราเนี่ยไม่เดินอย่าลืมว่าัทธามันก็เหมือนกับฉันทะเหมือนกับความรักอ่ะถ้ามันเริ่มได้มันก็เดินได้เจนศรัทธามันก็เกิดความเพียรอย่างในอินทรีย์าให้ให้เราสังเกตท่านเริ่มที่ศรัทธาพอศรัทธาก็ความเพียรศรัทธาก็วิริยะวิริยะก็สติสติก็สมาธิเอ่สมาธิสมาธิก็ปัญญามันก็เดินไป ทีนี้ในขณะเดียวกันมันก็มีวิริยะ ม, มีจิตตะมีวิมังสาตามไปทีนี้พวกพวกเหล่านี้เมื่อไม่ศรัทธาเนี่ยต้องการจะได้ผลประโยชน์อย่างที่คนซึ่งบวชด้วยศรัทธาและใช้ความพยายามมากได้มันก็แสดงออกมาในรูปของสารพัดกิเลสที่ที่พระโมคคัลลานะได้ได้กล่าวมากิเลสกลุ่มนี้เป็นกิเลสที่ ที่จริงมันอยู่ในกรอบของโลกกฎหลงหรือว่าแนวของอุปกเลส ท, ที่กล่าวไว้ในตอนต้ น, ตนแ๋่ว่ามีประเด็นที่ควรทําความศึกษาทาความเข้าใจมากอยู่หลายประเด็นเหมือนกันจึงขอยกยอดไปในวันวันต่ อ, ต อ, ตอไปต้องฟังเท่าไหร่เสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทนี ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกางามไยบูรณนธรรมึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี